อาตมาจะขอถวายพระพรพระมหาบพิตรในด้านอง์พุท ธ, ธจริตคําว่าพุท ธ, ธจริตแปลว่าจิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์ของความฉลาดนี่ท่านที่มีจริตเนื่องในความฉลาดหรือว่ามีอารมณ์ในความฉลาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้คำมัฐานสนับสนุนไม่สีอย่าง เจริญเตือนสรายการคือัขธาจริตกับพุทธจริตมีองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงยกย่องสนรเสริญว่าเป็นจริตที่จะพึงเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งขธาจริญสมเด็จพ ร, ระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กรรมฐานสนับสนุนไว้ในขั้นพระโสดากับสหิทาคา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 อีกว่าเป็นการศึกษาศึกษานอกมหาวิทยาลัยหรือว่าการศึกษานอกโรงเรียนท่านคนประเภทนี้ที่มีจิตแบบนี้สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เกือบทั้งหมดถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของมนุษย์ธรรมดาและก็สามารถจะผ่านสายตาไปได้แล้วท่านประเภทนี้ทำได้ คำว่าไม่สามารถจะไม่มีสำหรับท่านที่มีนิสัยเป็นพุทธจริญเพราะามีจิตอบรมมาแล้วได้ดีในดีแต่ชาติดันั้นองค์สมเด็จพระบรมมาโล ก, ก น, นัดจึงให้กรรมาฐานเฉพาะคนฉลาดไว้สำหรับท่านที่มีจิจเป็นพุทธจริตขอประทานขอใช้คำวาจาว่าเป็นคนฉลาด <c oughs> พุทธจริตคือคนฉลาด สมเด็จพระบรมโเล่ากนธาติให้กรรมฐ า, านเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติด้วยความนึกคิดด้วยสอย่างคื อ, อหนึ่งมรณานุสติกรรมฐ า, านนึกถึงความตายเ ป, นนปนน็นอารมณ์ 2. จะตุธาตรรมฐาน4พิจารณากัน5ว่าเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุาไฟเนอสามอาหาเรปริโกไดสัญญา พิจารณาอาหารว่าเป็นของสกปรกไม่ติดในรสอาหารไม่ติดในกลินน่นและในสีของอาหาร <c oughs> ไม่มัวเมาในเรื่องของอาหารได้สี่อุปสมานุสติกรรมฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์รวมความว่ากรรมฐานไน้นสี่อย่างนี้ถ้าคนไม่ฉลาดมีความขาดในชีวิต เขาจะไม่ยอมคิดถึงความตายเป็นสำคัญเมื่อคิดถึงความตายขึ้นมาเมื่อไรก็มีแต่ความหวอดวันแต่สำหรับท่านที่ทรงปัญญาสูงคือพุท ธ, ธจริจจะมีอารมณ์คิดถิวว่าความตายเป็นของธรรมดาไม่ใช่ของแปลกเพราะทราบอยู่แล้วว่าคนละสัตว์เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้น คนทุกคนต่างคนต่างเดินเข้าไปหาความตายด้วยกันทุกวันทุกเวลาจึงเห็นว่าความตายเป็นกีฬาของชีวิตคําว่ากีฬาเป็นการสนุกเป็นการสแสดงออกใป็นการออกกําลังทําให้ร่างกายรื่นเริงทำร่างกายแข็งแรงมีความรื่นเริองอเป็นปกติและคำว่านักกีฬาจริงๆไม่ใช่อันดับพันเท่าช่วย พ่าจะเห็นได้ว่าท่านผู้นี้มีความรื่นเริงหันษาตลอดเวลาเพราะหนึ่งสุขภาพดีถ้าสุขภาพทางร่างกายดีสุขภาพทางจิตใจดีมีการเสียสละยังเรียกว่านักกีฬาเามรับท่านที่มีปัญญาฉลาดัดประเภทพุทธจริตท่านก็มีอารมณ์จิตแห่งความตายเป็นกีฬาของชีวิตเพราะนักกีฬาเมื่อพูดถึงการแข่งขันกีฬาเมื่อไหร่ ความกระปรี้กระเปร่าจะปรากฏกระจายทันทีมีความยินดีเรื่องการที่จะเข้าแข่งขันและแสดงกีฬาเพราะว่าเป็นกิจยี่เขาจะพึงทําพร้อมที่จะลงสนามเสมอทั้งสนามซ้อมและสนามแข่งขันแม้ว่าจะมีความเหนื่อยยากมีความร้อนมีความหนาวเพียงใดเขาทำทีท่านั้นหลายเหล่านี้ไม่หยอดทอแต่การฝึกซ้อมและการแข่งขันข้อนี้มีประมาชั้นใด สำหรับท่านที่มีน้ำใจฉลาดจัดว่าเป็นประเภทพุท ธ, ธจริญมีอารมณ์คิดค้นคว้าหาความจริงอยู่เป็นปกติยังมีความรู้สึกว่าความตายเป็นกีฬาของชีวิตทั้งนี้ก็เพราะว่าจะคิดว่าเป็นกีฬาและไม่เป็นกีฬาก็ตามวันเวลาล่วงไปล่วงไปชีวิตเครื่องของของสัตว์ก็เคลื่อนไปหาความตายทุกคนนะ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 นี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติที่ทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์คนกว่าจะเกิดขึ้นมันได้ก็แสนลำบากก่อนที่จะเกิดมาจากไหนเราไม่ทราบแต่เทาว่าขณะที่อยู่ในคันมันดาถ้าเราเงยนิกน้อมใจเข้าไปว่าดูภาพตองเด็กในคันจะนั่งอยู่ในสภาพคุดคู้เหยียดเท้าเหียดมือก็ไม่ได้ มีสภาพเหมือนกับว่าคนนั่งกอดเขา่านั่งชันเขา่าใช้เวลาประมาณสิบเตือนนับจนจะเริ่มปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิใหม่ๆจิตก็สู่คันของมารดาสภาวะของก้อนเลือดยังไม่ใหญ่ก็ยังรู้สึกว่ามีความสบายสมบองนั้นมีอุปมาเหมือนกับคนนอนอยู่ในห้องกว้าง เมื่อต่อมาก้อนเลือดนั้นจับ ก, กลุ่มมากขึ้นเป็นร่างกายขึ้นมาก้อนโตเท่าไรก็ปรากฏว่าห้องคือคันองมารดา น, นั้งแคบถมไปทุกทีในที่สุดเมื่อร่างกายนี้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเต็มที่ก็ปรากฏว่าห้องคับตัวไม่สามารถจะเหยียดมือเหยียดเท้าออกไปได้อาการอย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทรมานกายทรมานใจ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 ทำให้เกิดความไม่สบายใายไม่สบายใจเกิดขึด้นความจริงการอยู่ในคันเขมรดาเต็มไปด้วยความทุกข์นี่ว่าชาติพุทขคาความเกิดเป็นทุกข์แต่คนมองไม่เห็นความจริงไม่สามารถจะเห็นได้ด้ยวยตาเนื้อคนน่าจะคิดด้ยวยตาของปัญญาเมื่อใส่ปัญญามีอยู่คนจะรู้ได้สําหรับท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริต คือจิตประกอบด้วยความรู้ด้วยจิตประกอบด้วยความฉลาดย่อมเห็นโทษของการเกิดตั้งแต่อยู่ในคันของมารดานี่เมื่อคลอดจากคันมารดาขณะยืดู่ในคันมารดามีความอบอุ่นจากธาตุไฟของมารดาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทําให้ร่างกายสบายเวลาคลอดจากคันมารดาใหมาให ม, ใหม่กระทบความร้อนกระทบความหนาวจากอากาศซึ่งสัมผัสใหม่มีการแสบตัว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 ทนไม่ไหวจึงร้องนี่จะเห็นได้ว่าแม้แต่คลอจากคันมารดาก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วไม่เป็นเรื่องต่อมาเมื่อคลอจากคันมารดาอาหารที่เคยอยู่ในคันได้รับการสัมผัสคืคอหล่อเลี้ยงจากคันของมารดามารดาบริโภคอาหารอะไรเข้าไปร่างกายก็ผิดอาหารส่งให้เด็กทางสมอง แต่กันออกจากคันมารดาและโอกาสนั้นไม่มีคราวนี้เกิดความลำบากใหญ่หิวขึ้นมาเมื่อไรมารดาไม่ทราบบคุคคลผู้เลี้ยงไม่ทราบเขาจะทราบต่อเมื่อเด็กแสดงการร้องให้ปรากฏเมื่อหิวจนกระทั่งทนไม่ไหวจึงร้องนี่แสดงถึงความลาบากพระพุทธเจ้ากล่าวว่า ชิคช้าปรมาโรคาความหิวเป็นโรคคือเป็นาการเสียดแทงอย่างยางนี่เป็นปัจจัยของความลำบากการเลี้ยงตัวเองไม่ได้เป็นทุกข์ปูตุจาระปัสสาวะบิดามารดาผู้เลี้ยงยังไม่รู้ในที่สุดก็ต้องถ่ายราดลงมาทั้งทั้งที่กิ่นมีความเหม็นก็ต้องทนเพราะช่วยตัวเองไม่ได้ปัจจัยส่วนนี้ก็เป็นความทุกข์ พ้มีอาการป่วยไข้ไม่สบายก็บอกใครก็ไม่ได้กว่าเขาจะทราบไอ้ความทุกข์ประมาณการเสียดแทนทางหลายเหล่านั้นก็แสดงออกมาจนมากทนไม่ไหวร้องบิดกายบ้างกำมือกำเท้าบ้างอย่างนี้เป็นตน้นสำหรับคนผู้มีปัญญาคือมีความฉลาดมีความเข้าใจชัดว่าการเกิดเป็นทุกความทุกขไม่มีแต่เท่านี้ เมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีความทุกในการปรารถนาในอา ก, การแสวงหาคู่ครองบ้างเมื่อยังไม่ได้สงความปรารถนาก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เสริมความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะว่ากรำพังตัวเองมีความสุขพอสมควรทุกบ้างก็ไป ม, มาเมื่อมีคู่ครองก็มา ก, ก็ต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่งไม่ใช่คนคนเดียว ในการกระทบกระทั่งกันซิ่งกันและกันดริ่มน่ายความรักเป็นปัจจัยเป็นเหตุนํามาถึงความเศร้าโศกเสียใจเป็นเหตุนํามาซึงอันตรายที่จะพึงถึงตัวทีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความรักความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายจะพึงมีมาได้าจากความรักเป็นปัจจัยถ้าหากว่าเราไม่รักเราไม่พอใจสิอย่างเดียว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 นี่คนที่เกิดมาอาศัยกิเลสเป็นเครื่องนำหนักมีความรักมีความพอใจมีความยึดเหนี่ยวสิ่งอะไรกันทั้งด้านสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต้องสลายไปจากไปความเศร้าโศกเสียใจมันก็ปรากฏเหตุแห่งความรักจะมีขึ้นมาได้ความเศร้าโศกเสียใจจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสําคัญถ้าไม่เกิดที่อย่างเดียวจะมีอะไรมารักกัน จะมีอะไรมาของแห่งจะมีอะไรมาเป็นเครื่องแยกตัวกันและจากกันเรนนิงกล่าวว่าอันตรายจะพึงเกิดที่มันได้ก่อสาความรักเป็นเหตุนิองค์สมเด็จพระบรมโลกกระเทศทรงตัดชี้เห็น ช, ะชะัดๆว่าคนที่เรารักก็ดีของที่เรารักก็ดีถ้าใครมาล่วงละเมิดสิทธิของเราเราพร้อมที่จะป้องกันสิทธิทั้งหลายเหล่านั้น ในขณะที่จะเข้าไปป้องกันก็ต้องเกิดการต่อสู้กันร่างกายตนเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ละเมิดสิทธิตอนนี้อันตรายจะเพิ่งมีได้ <c oughs> เพราะอาศัยความรักเป็นเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์เห็นว่าท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตคือมีจิตมีความรอบรู้เป็นคนฉลาดสามารถจะพิจารณาผลแห่งความเกิดว่าเป็นทุกข์ ในวิชาที่พิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์จะเห็นได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจินทร์ศรียิ่งแสดงว่ายิ่งสแสดงให้บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ทราบชัดว่าท่านจะต้องตายเป็นปกติแต <c oughs> ่ว่าก่อนที่จะตายท่านเป็นทุกข์ก่อนทุกเนื่องจากความเป็นอยู่ทุกเนื่องจากความสัมพันธ์ เมื่อเวลาความใกล้จะตายขึ้นมานั้นความทุกข์จากขันห้ามันก็มีมากขึ้นเพราะทุกขเวทนามาบีบคั้นบ ร, สริสาทจนทนไม่ไหวจึงตายนี่เป็นอนวุวาองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัสดาทรงทราบชัดว่าท่านที่มีความฉลาดไม่มีความหวั่นไหวในความตายเพราะรู้ตัวว่าจะต้องตายแมะก็รู้ตัวยว่าการเกิดมาก่อนที่จะถึงตายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ แลื่ความตายนี้ก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายเท่า น, นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงทรงแนะนําให้ท่านหลายเหล่านี้ใช้ปัญญาพิจรารณากรรมฐานที่มีคุณใหญ่ต่อไปเพื่อความไม่ประมาิโดยคิดว่าในเมื่อความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ทุกเพื่อความเกิดเกิดมาเพื่อความตายทรัพย์สินทั้งหลายที่จะพึงหามาได้ด้วยความยากลาบากในที่สุดก็พลัดพลาดจากกันเมื่อถึงความตายเข้ามาถึง <c oughs> <c oughs> เมื่อความเกิดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกแล้วก็ต้องตายถ้าตายแล้วเกิดมาใหม่จะมีประโยชน์อะไร ก็ต้องกลับมาทุกตามนี้ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไม่ก็หาความที่สุดไม่ได้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ต่อไปองค์สมเจตเติมเดชไปจอมไตรเจ้าได้ทรงแนะนาให้หาที่สุดของความทุกข์ให้ครบเดินก้าวเข้าไปหาที่สุดของความทุกข์คาว่าที่สุดของความทุกข์ก็คือไม่ต้องการมีความทุกข์ต่อไปสำหรับวันนี้เสียงไม่ดีเหมือนกันคอไม่ดี ขอพระราชทานอภัยถ้าฟังไม่ถนัดถ้าเสียงไม่ชัดแล้วว่าโทษของขันห้ามารบกวนมากนี่เรื่องมาจากปานาทิบาตนาแน่ดีทัชาติเป็นมารบกวนก็ขอใช่นี่มันไป <c oughs> จนกว่าจะถึงวาระหมดนี่เข้าใจว่าถ้าพยายามใช้อย่างนี้ไม่ช้าก็หมดความสุขก็จะมาถึงในวันหนา้า แย่เป็นยังไงก็ฉังในเมื่อร่างกายยังใช้งานได้ก็จะใช้งานให้เป็นประโยชน์ตลอดไปเพื่อเป็นการสนองความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรฎมัสสัสดาที่ทรงสั่งสอนให้จิตใจมีความสุขร่างกายจะทุกข์ก็เชิญทุกข์แต่ใจไม่ยอมทุกข์ด้วยเพราะไม่อยากจะช่วยความทุกข์ให้มันมีความเจริญขึ้น มันจะเป็นยังไงก็เชิญเป็นไปตามอัธยาสัยของมันตายเมื่อไรสบายเมื่อ น, นั้น <c oughs> เป็นอันวุทิว่าความตายเป็นกีฬาเอาอย่างท่านพุท ธ, ธจริญคือท่านเป็นผู้มีจิตฉลาดก็เลยขอตามความเจริดของท่านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้อยเปอร์นได้ติดมาบ้างสักเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก็พอใจ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 ว่าท่านมีความฉลาดจนแล้วจงใช้ความฉลาดให้เป็นประโยชน์แล้วก็จงเห็นโทษของธาตุสี่ไม่ใช่ขันห้าหรือว่าเห็นโทษของขันห้าที่ประกอบไปได้วยธาตุสี่มองดูขันห้าด้วยเจตนาดีที่เอาความฉลาดเข้ามองไม่ใช่ความโง่เข้ามองว่าขันห้าที่เรียกกันว่ามีรูปเปรตนาสัญญาสังขารวิญญาณ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 วิญญาณประสาทเป็การรับสัมผัสความหนาวความร้อนความเย็นความความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายในความเจ็บความปวดจากขันห่าจากรูปจะมีมาจากไหนนี่ถ้าไม่มีรูปเสียอย่างเดียวขันสี่ต่อไปไม่มีประโยชน์เพราะขันสี่ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นขันที่เกาะรูปเมื่อรูปสลายตัวเมื่อไรขันสี่ก็สลายเมื่อนั้น คำว่าวิญญาณในขันห้าไม่ได้หมายถึงจิตในสมัยนี้เขาใช้ศัรพท์วิพัสสต์เป็นการสมควรเห็นว่าถูกต้องควรจะนำศัพท์นี้มาใช้ตามศัพท์สมัยใหม่จะได้เข้าใจกันชัดเพราะหลายท่านเอาจินยานกับจิตเข้าไปผสมปะเสกกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครเป็นเหตุทาให้จิจตใจฟั่นเฟือนจับจุดแห่ความจริงไม่ได้ นี่งค์สมเด็จพรจอมใจทรงชี้ชัดลงไปบอกว่าเรื่องที่จะมีความทุกข์เนื่องจากร่างกายก็เพราะธาตุสี่เป็นสําคัญธาตุธาตุสีไม่ก่อตัวขึ้นมาร่างกายแล้วขันอีกสี่ขันน่ะทีเรียกว่าขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาแสงขามิิญญาณเพื่อตัดรูปออกรูปเป็นธาตุสี่เวทนาสัญญาแสงขามิิญญาณมันก็มีมาไม่ได้ อันนี้ก็มาเพ่งพิจารณาเพียงธาตุสี่ว่ามันเป็นธาตุที่ควรจะบูชาและไม่ควรจะบูชาโดยเฉพาะธาตุที่มารวมตัวเป็นกายธาตุสี่มีอะไรบ้างของที่แข็งได้กันเนื้อกระดูกในร่างกายฉันเรียกว่าธาตุบินความอบอุ่นในร่างกายฉันเรียกว่าธาตุไฟ ขอเหลวมีปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลวน้ำหนองน้ำลายเหงื่อเป็นต้นอย่างนี้ท่านเรี้ยวถ่านน้ำอาการพัดไปในร่างกายที่เรียกว่าลมหายใจบ้างท่านเลี้ยวธาตุลม <c oughs> เป็นน้าส่วนใหญ่ของธาตุที่ประกอบก็มาเป็นร่างกายมีธาตุสีสำหรับธาตุสีนี้องค์สมเด็จพระมหาโมนี ให้พิจารณาตามกฎของอ น, นิจจสัณฐาว่ามันมีความเที่ยงไหมมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงธาตดดุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่ประกอบกเข้ามาเป็นกายมันเที่ยงหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเที่ยงหรือว่ามันทรงตัวพิจารณาไปแลห็นว่าสภาพของธาตุสีนี้มันไม่เที่ยง ถ้ามันเที่ยงจริงๆเกิดมาเป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กอย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยต้องไม่เคลื่อนมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าถ้าจะมาเที่ยงตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ต้องไม่แก่หรือว่าจะเที่ยงตอนแก่มันก็ต้องไม่ได้เป็นอันว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวอยู่ได้อย่างนี้แสดงการของมันว่าไม่เที่ยงนื้การที่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือว่าเป็นความทุกข์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 ถ้าใช้ปัญญายเพึงเครื่องพิจารณาจริงๆแล้วจะมองเห็นชัดว่าร่างกายมันเสื่อมทุกขณะจิตที่เคลื่อนไปเป้นเวลาบันเวลาเึ้ือนไปเพลเพขณะใดก็ตามทีร่างกายความเสื่อมก็เคลื่อนไปตามนั้นกายก็เสื่อมลงไปด้วยเห็ความเสี่อมได้ชัดก็คือร่างกายต้องการอาหารก้าไปพุ่นเปลยชดเชยก็สิ่งที่เสียไป <c oughs> <c oughs> เสียงบางคาพูดออกมาไม่ชัด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 ไม่สนใจทํางานสําคัญของพระพุทธศาสนามีความสําคัญกว่าไม่ช้ามันก็ตายตายเมื่อไร่สบายเหมือนนั้นเจ้าขันห้าที่ประกอบไปได้วยความทุกข์เจ้าขันห้าที่มีแต่อารมณ์อากตันยูไม่รู้คุณที่เลี้ยงมาตั้งนานแสนนานแต่มันก็ไม่รู้จักคุณไม่มีการยับยัง้งการเคลื่อนไหวการทําลายตัวเองมันจะพังเมื่อไร่ก็เชิญเชิญมันพัง ทั้งเมื่อไรเลิกคบกันเมื่อนั้นความสบายก็เข้ามาถึงสำหรับเทปหน้านี้ก็มองดูเวลาก็เห็นว่าจะหมดเส็นแล้วขอต่อหน้าต่อไป